เออนับต่อไปกันที่ที่วัดต่ออายุครบรอบปีบางแห่งบางวัดมีควนมีจมสวนสพระพุทธมนต์ามปีแต่ว่าทางหัวเข้าต่ออายุคามปีพตาว่า เ, นนเป็นนักได้คือตัน นายพระเจ้าประสงค์เป็นผูสสนนนสสสส้สวัสเท้าขาเขาสมาธิแต่เ้นกันผู้จะพยานยินสมาธิสาคัญรสวัสด์สัเป็นสัญญา ท, ท่องอมัดประเทียนดยีดก็ได้แต่ว่าเป็นความของพระพเจ้าเป็นเหตุไจเป็นพิมไป คำว่า ส, สมาธิหรือบุญเป็นของเฮาเห็ดเองเห็นเองเป็นของเฮาเบิงเองเห็นเองหูเอง่าเิดเป็นสมาธิสบายบุหวคำว่าสมาธิคือสบายสงบนั่นคำของพระพุทธเจ้าเนบอกสุขเนยิ่งกว่าความสบไม่มี ถือคติแค่นี้กับพ่อมันพ่อได้สอนบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความุ่นวายไม่มีนั่นถ้าคุณสวดได้แ น, น่ว่าได้แน่ก็สวดโดนหลายก็สวดโดนจะน้อวุ่นวายหนหวยแว่าได้บนั่นมีคำติไปแลเราด้แต่ว่าคำธรรมะตินี่ม่มีติที้เพราะว่าเป็นลมหายใจเขาออกหอ พูดเร่องสิเปตีวา่าเบิงเห็นอย่างร่มพอเบิงก็ได้พออาากด้วยน่ะกันเขาบิงมีร่มกนไปแลวตัวนั่นตีก็ได้แล้วตีคําขาบุญเจ้าให้ย็ดนิ่งให้ยิตสงบกันสวดมันบุญไว้ดีก็ดีใส่ไม่หลายเขาจะจมถึงสันแล้วบางทีสลาขอเขาสวดถึงว่าเขาห้องบุญหวอน่ะ เขากระส่วนหาพระเจ้าเพื่อการนี่เขากเอาคำหนึงกับส่วนหาพระพุทธเจ้าเพื่อกันกรสวนถึงแบบแปลมาเพราะฉะนั้นเรียกว่าอยู่ว่มีปัญหาคือคำสมาธิผููอื่นกับวติว่มีคำาติค้นเยอะมากนวกหูว่ามีค้นถมาว่าวาบุญไหวก็พูดได้เห็ุสงบสงัดบหยับเห็นไหมจ๊ะ เทวดามีย่อมพุ่มเ ป, นป็นสรรเสริญสรรเสริโดยเฉพาะงานนี้สิอันเทิญเทวดามันมนั่งดิงยังย่ำทุกปีบอกทุกปีอยากให้ทำว่าเขาวัดทำบุญให้เน้นหนักกล้สมองก็สัเเข่งได้เชิญฝากเรื่องเว้าเรื่องทั้งโลกก็จะจะเอาขมาวัดอยากให้ถึกติอยากจะให้ถือคติของในจะน้ำออกของนอกจะน้ำเข่า เรื cherry, ่องทั้งโลกนะจะนัาเขามาวัดมันอย่างน่เดื่องทา้งโลกจกว่าข้อมูลวิ่งวุ่นไหวข้อียังแนได้เห็นว่าส่วนคนว่าเขาว่าเบากันเบาเาหาวันเอาว่ได้เปิดภูมไหม่ขวอมาวาแยงหลนะนั่นขามาด้วยค้มสงบสงัดเป็นแนวทางที่ดีช่วยพระสงฆ์รักษาพุทธศาสนาเด้ โนมาวัดสิพวกมันว่า ม, มาบ้วัดสิวัดสิวัดสายได้สาววัดวาจาได้เก่าที่มีหน้าต า, าเล่นนะวัดจิตใจให้ น, นิ่งสงบขาดก็ได้สามยันเดี๋ยวนี้คนในบ้านเมืองในโลกของพวกเราหนึ่งได้ยัง่งยวคือทุ่มทานกับบนเดีศีลกับภาวนาศีลกับบุญในทีมแล้วมีดูแต่เล่นหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าจิ หอมผ่านก็ต้องปากก็ต้องเว้าห้มผู้ใดต่ห้อมเป็นหตัวเรมากยัยกปากวยั้งกันเพเขาสมาธินั่นเพราะสมมธิปุงกระทําควเว้าควจ่มันไปเราได้สมาธิพมีได้บัดผู้อืกก่นก็เดือร้อนเสีนี้ผู้ตั้งใจาาาาบางรมเงเบาล่องเกันเลยติแต่สานนโมไปน้องกานเราเว้ากันอุ้นไปเมือา ก, กันกับ ความกรจจันคกรควบกวามกรจจันบ่ไมีหลาเราตัวมือนแล้วก็เนี้ยไอ้เรื่อ ง, งีเริ่มห้องฝนตกเล็ยงาวยาวนัก um oui, ัดาว่าแต่สัตว์มันธรรมชาตินะว่าเป็นหนังคนเราต้องเม้นความสงบนั่นแหลเห็นได้ว่าพลองรู้ ลกมือเสงหัวแลวก็อ น, นอนอาพระเจ้าประงเรสิจวดตในตัวด้วยพว่มงบมระมาระ ว, ว่างคำพูดต่างชาตต่างคนคอยนอนลงแขนก็ได้ห้ายก <c oughs> นน็ได้เนนุ่มเมื่อแล้วก็เบิงลมเข่าลมออกปิดหูสย่ยัวปิดตาเสียกางปิดปากสะบางแล้วนอนบิงลมนอนทับบุญ ฮ่ายังแปลได้